งใจการอบรมจิตนี่เป็นสิ่งจำเป็นทุกคนทุกคนก็รู้ดีอยู่แล้วว่าจิตนี่มันยังมีกิเลสห่มห่ออยู่เสมอๆตัวกิเลสมันก็รบกวนเอาให้เกิดความรักบั่งร้อมชังบั่งให้เกิดความ โตกเข้าเสียใจบ้างความคับแค้นใจบ้างอะไรหมด น, นี่มันก็เป็นเหตุให้จิตใจ ว, วุ่นวายไม่สงบระ ง, งับได้ดังนั้นนะเพราจึงต้องมีการอบรมกันฝึกกันเพื่อให้จิตนี้มันหยุดยัง้งตั้งมั่นอยู่ในบุญในกุศล ตั้งมั่นอยู่ในคุณงามความดีอย่าให้จิตมันเขวอออกไปนอกทางผู้ที่ไม่มีศรัทธาฝึกผลอารมณ์จิตนี่ก็นับว่าจะต้องได้รับทุกทรมานไปนานผู้ที่ยังเอียนไหตายตเกิดเมื่อบ่ายหน้าเข้าสู่สินธรรมนี่ ก็จะต้องเวียนว่ายตายเกิดไปนานไม่รู้ว่ากี่ชาติกี่ภพถ้าหากก็ไม่รู้แจ้งในอริยสัจธรรมทั้งสี่เสมอใดแล้วอย่างนี้มันก็ไม่มีทางพ้นไปได้เพราะบุคคลมีทุกข์แต่ไม่รู้จักทุกข์เมื่อ ทุกข์ครอบกรรมาแล้วก็ไม่สาาหาต้นเหตุของทุกข์อันนี้แหละผู้มีปัญญาทั้งหลายได้สดัตคําำของทวยเจ้าแล้วเมื่อทุกข์มาถึงเขาก็ต้องพิจารณาว่าทุกข์นี่มันต้องมีเหตุมันมาจากเหตุอะไรเช่นทุกข์ใจอย่างนี้นะจิตมันต้องยึดถือเหตุอะไรอันหนึ่งไว ซึ่งเป็นเหตุฝ่ฝายชั่วหรือว่าเป็นเหตุฝ่ายกิเลสเช่เนนี้และมันได้โอกาสมันก็ย้อมจิตใจให้วันไหวจิตใจก็วันไหวเต้ามองคุณบัวไปเมื่อบุคคลมาสาวหาต้านเหตุมันได้ว่าความทุกข์ ในขณะนี้นะมันเกิดมาจากเหตุอันนี้อย่างนี้นะเพราะตนยึดเหตุแห่งความรักไว้คดีหรือว่ายึดเหตุแห่งความชังไว้หรือว่ายึดเหตุแห่งความหลงความไม่รู้จริงความไม่รู้จริงจริงใดแล้วก็ยึดถือเอาไว้มันก็เมื่อสิ่งเหล่านั้นแปรปรวนไปจิตใจมันก็ แปรพันไปตามอันนี้แหละต้องพิจารณาดูจิตตัวเองมันยึดเอาอะไรไว้เวลามันรุนวรยเดือดร้อนเมื่อรู้ต้นเหตุแล้วเราไปกำหนดกำหนดใจล่เหตุอันนั้นเสียเมื่อเหตุอันนั้นดับไปแล้วความทุกข์ใจมันก็ดับไปเออมันเป็นอย่างนี้แต่ความรักมันเกิดขึ้นอย่างนี้นะ เรากำหนดละโกรรักนั่นเสียพิจารณาเห็นสิ่งที่รักใคร่านั้นเป็นสภะะาะวธรรมไปเป็นของแตกค้องดับไม่ใช่ของสวยงามที่จะน่ารักใครพอใจอะไรอย่างอ่ปัญญามันสอนจิตเข้าไปอย่างนี้จิตเห็นแจ้งแล้วมันก็คลายความรั ก, รกนั้นออกไปอืแม้ความทางก็เหมือนกันแหละ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 นี่ท่านเรียกว่าอิทธารมอารมณ์ที่น่ายินดีอันนี้แหละที่ท่านสอนให้ละอยู่แล้วนะถ้าความยินดีในธรรมอันประกอบพุทธปัญญาแล้วมันเป็นกำลังใจอันสำคัญพระพุทธเจ้ายัางตรัสว่าธรรมอปีติสุขังเสติวิปสัสสนเนเจาตต้าความเป็นผู้ มีปีติอยู่ในธรรมอันเป็นกุศลอย่อมอยู่เป็นสุขนั่งก็เป็นสุขนอนอยู่ก็เป็นสุขนั่นแหละอันนี้หมายถึงความยินดีในธรรมสมควรแท้สมควรที่จะมายินดีในธรรมอันเป็นกุศลที่เราบำเพ็ญให้เกิดมีขึ้นในจิตใจแล้วเราก็ต้องทาความยินดีพอใจในธรรม ที่ตนบำเพ็ญด้เกิดมีหรือว่าตนได้พิจารณารู้แจ้งประจักษ์เช่นทุกข์อย่างนี้มันก็เป็นธรรมอันหนึ่งอย่างี้นะเมื่อเรารู้เท่าทุกข์เห็นแจ้งในทุกข์ก็เป็นจริงจิตไม่วันไรแล้มันก็เกิดปีติขึ้นมาว่าเราเอาชนะทุกข์ได้อย่างนี้นะในร่างกายนี่จะเป็นทุกข์จิตใจไม่ทุกข์ไปตาม เขาพอรู้แล้วว่าร่างกายไม่ใช่ของตนมันแปรผันไปอย่าไปทุกข์กับมันทําไมนี่ก็ใช้ปัญญาสอนจิตเข้าไปอย่างนี้เมื่อจิตบรรลุความจริงของร่างกายอย่างว่านี้แนละ้วมันก็ไม่ทุกข์ไม่โศกพร้อมกับละเหตุแห่งทุกข์ก็คือถ้ามองไม่เห็นว่าไม่ได้ยินยิ น, ยนได้อะไรกับภายนอก แ, แสดงว่าจิตมันไม่รู้เท่าขันทั้งห้าอันนี้เมื่อขันหน้าในแปรปรวนไปจิตก็วันไว้ไปตามอย่างเหมือนเรารู้ว่าอ๋อความหลงความไม่รู้แจ้งในขันอันนี้จิตจึงได้เป็นทุกข์เดือดร้อนไปก็มาเพ่งให้รู้แจ้งขันทั้งห้าท่าทั้งสี่ตามเป็นจริงเท่าไปมเมื่อมันเพ่งรู้จริง ตามสภาพความเป็นจริงแล้วว่าธาตุีขันธห้าไม่ใช่สัตว์ไม่ใจบุคคลก็ยังเป็นสภาวะธาตุอยู่ตามเดิมของมันเมื่อมันบุญกุศลอย่างหล่อเลี้ยงรักษายอยู่ธาตุทั้งสี่มันก็ปรองรองส ม, มัคคีกันอยู่อย่างนี้เมื่อบุญเก่ากรรมเก่าหมดลงไปแล้วธาตุทั้งสีนี่มันก็แตกส ม, มัคคีกันไป ธาตุน้ำก็ไปพอธาตุน้ำธาตุดินก็ไปพอธาตุดินธาตุนมก็ไปพอธาตุลมธาตุไฟก็ดับไปตามเรื่องของธาตุไฟมันจะรวมกันอยู่เป็นรูปเป็นร่างอย่างนี่มันรวมไม่ได้เพราะมันหมดเหตุปัจจัยอุปถัมภ์บรุงแล้วนี่เมื่อเราพิจารณาแยกแยะดูเห็นแจ้งอย่างนี้แล้วมันก็หายสงสัยคำว่าของเราของเขา คำว่าสัตว์ก็บุคคลนั่นนะ่ะอย่างงี้แหละเรียกว่าเราละเหตุแห่งทุกนู้นต่างหากเมื่อละเหตุอนนันได้นั้นได้แล้วทุกทางใจมันก็ดับไปใจก็มาเป็นทุกแต่ธาตุสี่ขันธ์นี้มันก็เป็นทุกอยู่ตามเรื่องของมันนั่นแหละคือมันมันเป็นลักษณะทุกขลักษณะนะท่า อ, อย่างนั้นถึงจิตใจไม่วันไหวอย่างไรก็ตาม แต่ลักษณะแห่งความทุกข์คือคือความทนได้ยากทนอยู่ไม่ได้อั น, นั้นมันมีอยู่ในธาตุจีกันหน้าอย่างนี้แหละแม้ว่าจะมีจิตรู้เท่าสเท่าใดก็ตามนะมันต้องมีอยู่นี่แต่จิตก็รู้เท่าอยู่นั่นตามเป็นจริงนี่แหละจึงคือว่าเป็นผู้รู้แจ้งในทุกพร้อมทั้งเหตุทําเป็นจริง เมื่อเหตุดับไปทุกทางใจมันก็ดับไปเห็นแบบนี้เงีเมื่อทุกดับไปจิตใจก็สงบลงเป็นหนึ่งคงที่ก็รู้ว่าโอ้การดับทุกเนี่ยดั บ, ด, บดับตรงนี้ดับดับตรงที่จิตใจไม่ยึดไม่ถือต้นเหตุแห่งความทุกข์นั้นก็รู้แจ้งไปจากต้วตนเองนี่ก็รู้แจ้งว่าเหตุแห่งทุก ที่จิตยึดถือไว้นั้นดับไปแล้วพอเห็นแจ้งแล้วละมันไม่ยึดถือเอาไว้มันก็ดับไปเมื่อเหตุเราดันดับไปทุกข์ทางใจมันก็ดับลงนี้นะแต่ถ้าเหตุเราดันยังไม่ดับทุกข์ทางใจก็ยังไม่ดับเราก็ต้องพิจารณาพยาย า, ยามเพ่งพยยิจารณากําหนดละมันจนว่าเหตุอันนั้นนั้นมันดับลงไปให้ได้อืมเหตุเท่านั้นถึงว่า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 ได้เลยวันนี้คิด้นไรมันกำละความยึดมั่นเหล่านั้นได้ไอความพยายามความสำรวมกายวาจาไม่ทำชั่วอด้วยกายด้วยวาจามัมนก็เป็นศิลอยู่แล้ววันนี้ความสำรวมใจเท่งใจให้สงบประนับลงเป็นหนึ่งโย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 ให้บังเกิดขึ้นในจิตแล้วนั่นแหละจิตถึงมีกำลังเข้มแข็งละเหตุแห่งทุกข์นั่นได้เป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นให้พึ่งพากันพิจารณาดูทมอันเป็นเครื่องระงับทุกข์ในพุทธศาสนานี่นยะได้แก่อริยสัจจะทมทั้งสี่นี่เราไม่ควรที่จะไปถือว่าเป็นธรรมอันลึกซึ้ง ไม่สามารถจะรู้ได้เข้าใจได้ความจริงนะ่ะไม่ใช่ลึกไม่ใช่ตื้นอะไรอย่างเช่นทุกขังอริยะสัจจังไงนี้นะทุกนั่นมีจริงอย่างนี้ก็ความเกิดแก่เจ็บตายนะี่มันก็เป็นความจริงอยู่แนละ้วมันมีอยู่แต่ทำไมจริงจะไม่รู้รู้ทุกคนนะเพราะว่าความเกิดก็ได้แก่ร่างกายอันนี้ จิตก็อาศัยอยู่ในร่างกายอันนี้เมื่อร่างกายนี่มันแก่ชราทุดโทรงไปจิตก็ต้องรู้มเมื่อโรคภัยไข้เจ็บมันเบียดเบียนร่างกายอันนี้จิตก็รู้นั่นแหละเมื่อรู้ว่าหมอช่วยไม่ได้แล้วมันจะต้องหมดอายุสังขารแน่แล้วจิตก็รู้แต่ว่ารู้เฉยๆรู้ไม่ประกอบด้วยปัญญา แน่นอนนะมันก็ต้องเป็นทุกข์แหละต้องเดือดร้อนมีเปร่งันเรื่องอนะไรรู้เลยทีนี้ต้องรู้ด้วยปัญญาต้องรู้ตามเป็นจริงอรู้ว่าความเกิดแก่เจ็บตายเหล่านี้มันก็เป็นเรื่องของขันห้าอือาศัยตัณหาความทยานอยากแล้วละตัณหาไม่ได้มันก็เป็นอุปทานยึดมั่นถือมัน เมื่อยึดปั้นถือมันไว้แล้วก็ใช้ขันให้ทำดีบ้างทำชั่วบ้างวันนี้กรรมดีกรรมชั่วก็นำจิตวิญญาณให้ไปเกิดอีกในภพน้อยภพใหญ่ต่อไปวันนี้เมื่อผู้บำเพ็ญทางจิตภาวนาเข้าไปอย่างนี้ละความอยากเหล่านี้ออกไปจากหัวใจเสียอยากเกิดอีกก็ไม่อยาก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 ดังเก่ามานั่นเสียเมื่อความอยากเหล่านั้นดับไปแล้วความทุกข์ทางใจมันก็ ด, ดับอออย่างนี้แล้วให้พากันเข้าใจเมื่อความอยากดับไปหมดแล้วเหตุปัจจัยที่จะนํำดวงขีดไปเกิดในภพน้อยภพใหญ่อีกต่อไปนะั้นไม่มีแบบนี้นะออถ้าพูดมาถึงนี่เหมือนกับว่ามันง่ายได้นะ เราละความอยากแต่แล้วไม่อยากได้อะไรทั้งหมดในโลกอันนี้วอืะก็เข้าใจว่ามันจะต้องไม่ไม่ต้องเกิดอีกแต่เมื่อบุคคลยังไม่ได้บรรลุถึงโลกุตระ ร, รมอย่างที่ว่ามานั่นน่ะไอความไม่อยากอันนี้มันก็เป็นไปในชั่วคราวเท่านั่นแหละเมื่อยังไม่บรรลุอริยสัจจะทำนะ ความเบื่อหน่ายบวนี้มัก็เป็นไปชั่วคราวความไม่อยากพวกนี้นก็เป็นไปชั่วคราวเท่านั้นเองอืมเผือๆแล้วมันก็เกิดอยากขึ้นมาอีกเป็นอย่างนี้เพราะมันยังถอนรากของความอยากอันนี้ไม่ได้ส่วนที่ท่านผู้ใดบรรลุโลกรัตธรรมแล้วนั่นนะหมายควาว่าท่าน ถอนรากของความอยากคือตัณหาเนี่ยโดยปัญญาได้แล้วโดวยเด็ชขาดตัณหาความอยากประเภทนั้นไม่เกิดขึ้นในจิตใจของท่านอีกต่อไปแล้วเช่นนี้นะมันถึงจะไม่เกิดอีกอเรื่อง ม, นะมันเหมือนอย่างเราถอนต้นไม้ออกจากดินนี่แหละเราพยายามถอนมันได้ทั้งรากหมดเลยอย่างนี้อตรงนั้นนะ่ะไม้ต้นนั้นจะเกิดขึ้นไม่ได้อีกเลยะ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 บ, บ่อยเข้าไปไม่ใช่พี่นาทีเดียวแล้วมนแล้วนะพิ่จาจรณาเรื่อยไปอยู่นั้นแหละพี่ณาเห็นแจ้งประจับในใจตามเป็นจริงอย่างไรแล้วก็ปล่อยวางอืมทันเมื่อมันวางได้จริงใจมันก็รวมลงนี่ก็แสดงว่ามันละเหตุแห่งทุกข์ไปได้เกาะหนึ่งอืมแต่ว่ามันก็ยังอยู่ แต่มันขยับเข้าไปเอาเมื่อพิจารณาเรื่อยไปทำสมาธิทาใจสงบเราจเริญปัญญาพิจารณาอุบายะาอย่างมาสอนจิตให้มันเบื่อมันเห็นโทษของความอยากควมปรารถนนาต่างๆในโลกนี้อย่างนี้นะเ ม, นเมื่อพิจารณาบ่อยๆปัญญามันก็แหลมคมเข้าไปความรู้มันก็ยิ่งขึ้น ความเห็นในนามในรูปอันนี้มันก็แจ่มแจ้งขึ้นแล้วก็เห็นโทษของความยึดถือในของไม่เที่ยงเหล่านี้พร้อมกันไปเลยอันเราเป็นทุกข์อยู่ในปัจจุบันนี้พอเรามายึดถือเอาของไม่เที่ยงนี้แล้ออแลว เมื่อของไม่เที่ยงแปลโปรยไปจิตก็หวันไว้ไปตามอยู่อย่างนี้แหละอย่าไปสงสัยอย่างอื่นเลยอยันนี้ถ้าหากว่าเรารู้ตามเป็นจริงอยู่ด้วยปัญญาอันยิ่งอย่างว่านั้นนะครับเมื่อขันน้านี้มันแปลปรนไปจิตมันก็ไม่แปลปรนไปตามจิตมันกาหนดรู้แจ้งอยู่แล้วก็พร้อมทั้งความอดทนเป็นเยี่ยมเลย ฉันบอกอดทนต่อทุกขเวทนาที่เกิดขึ้นจากขันห้ามันมีบัตดแปลปวนไปนัานนๆเราอดเราทนก็เพราะเราได้อาศัยมันอยู่แล้วจะจะห น, นีไปไหนก็ไม่ได้เพราะอายุยังอยู่อายุยังไม่หมดบุญกรรมยังไม่หมดก็ต้องอาศัยมันอยู่อย่างนี้แหละมันจะแปร่รนผันวันไว้อย่างไรอย่างไรจิตนี่ก็ต้องอาศัยมันอยู่อย่างนี้ ถ้าจิตรู้เท่าอย่างที่ว่ามานี่ยมันก็อดทนแล้วอดทนแล้วก็รู้เท่าไปพร้อมว่ารู้ยังไงอ่ะรู้ว่าไม่ใช่เราธาตุสีขันหา้ามันแปรปรวนอยู่นี่ไม่ใช่เราก็ยังว่าธาตุต่างหากนี่ธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมเราจะเป็นทุกข์กับมันทําไมล่ะเนี่ยปัญญากระสอนจิตเข้าไปอย่างนี้นะแล้วก็อดทนไปด้วย แม้ว่าเราจะรู้แจ้งสักฟันใดไม่ให้ไม่ให้จิตนี้รู้สึกกับความแปรปรวนความทนได้ยากของร่างกายอันนั้นไม่ได้ต้องรู้เพราะอาศัยอยู่กับมันอยู่นี่มันจะไม่รู้ยังไงแล้วนั่นเองแต่ว่าเมื่อเมื่ออบรมปัญญาให้เกิดขึ้นแล้วจิตนี้มันถ้กอยู่ด้วยปัญญาด้วยความรู้เท่าถึงจะรู้ทุกข์อยู่แต่จิตก็ไม่เป็นทุกข์ เมันไปอย่างนั้นผูรู้อยู่ว่าขันห้าไม่ใช่ของเราแล้วทุกข์ก็ไม่ใช่ของเรานี่เพราะว่าทุกข์ก็เป็นเรื่องของขันห้าเมื่อขันห้ามันวิบัติแปลพวนไปทุกข์มันก็แปลไปตามเมื่อขันห้าไม่ใช่ของเราทุกข์ก็ไม่ใช่ของเร า, กกเราย้ำกันอยู่อย่างนี้แหละเออสอนใจอยู่เนี่ยเมื่อใจมันรู้ตามปัญญาใ น, น, นละมันก็ เออเป็นความจริงเมื่อเป็นเชนีเราก็ไม่ต้องงอนไหวกับขันหานั้นเลยเอ้าวมันจะแปลปวนมันจะร้อนมันจะหนาวมันจะเจ็บจะปวดยังไงก็ว่ากันไปตามเรื่องของมันเพราะว่าเราบังคับมันไม่ได้นี่เหมือนมันไม่ใช่ของเราเนี่ยถ้าเป็นของเราเราก็ต้องบังคับมันได้แหละอืมเราพิจารณาสอนใจเข้าไปโดยอุบายต่างๆเหล่านี้นะไอ้ ใจนี่มันรู้แจ้งตามปัญญาแล้วมันก็มันก็ปล่อยมันก็วางความยึดความถือเหล่านั้นไปทีละน้อยละน้อยไปหากว่าเมื่อปัญญามันแก่กาขึ้นเต็มที่แล้วที่ท่านเรียกว่ามรรคปัญญาเนี่ยปัญญาอันยิ่งปัญญาอันดำเนินไปถูกทางแล้วมันก็สามารถ ละสังโยชนนั่นขาดออกไปจากจิตใจสังโยชน์นที่ความสําคัญว่าขันธ์ห้ามีในตนตนมีในขันธ์ห้าความเห็นเช่นนั้นนะ่ะรับไปแล้วไม่ไม่มีแล้วเพราะจิตละความเห็นอย่างนั้นแล้วนี่เพราะมันไม่จริงนี่อที่ว่าขันธ์หน้าเป็นตนอย่างนี้จิตเป็นยังไงถ้าเป็นตนของตัวจริงจังมันก็บังคับได้มันก็ไม่แปรปรวนไม่แตกไม่รับอืม ปัญญามันเห็นแจ้งอ่างนี้นมันก็ความเห็นที่ว่าเป็นตัวตนมันก็ดับไปความรู้ความเห็นที่ว่าขันห้าไม่ใช่ตัว ต, วตนมันก็เกิดขึ้นมาแทนอย่างนี้แหละ ท, ท่านเรียกว่าออละสกายสิทธิสังโยชน์ได้ออวิจิกิจฉาความสงสัยลังเลในเรื่องบาปบุญคุณโทษทั้งหลายทั้งหลายก็ไม่มี วบุคลทําใจสงบมีปัญญารู้เท่าขันทั้งห้านี้แล้วจะสงสัยอะไรแล่าถ้าหากว่าเราจิตใจนี้ไม่มีบุญไม่มีกุศลทําเกิดขึ้นแล้วไม่สามารถที่จะรู้แจ้งในธาตุสี่ขันห้านี้ได้คุงต้องได้สะสมอบรมบุญคุณทั้งหลายมาเต็มที่แล้วจิตตั้งมั่นอยู่ในบุญในคุณนั่นแล้ว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 หรือว่าบุญที่ว่าทําบุญได้บุญเนี่ยนี่มันจะไม่เป็นความจริงกันมั้งเพราะเราก็ทําบุญเหมือนกันไงทําไหมจึงจิตใจจึงวอกแวกก่อนไหวไม่รู้แจ้งอะไรอย่างนี้มันก็สงสัยขึ้นมาแล้วถ้าถ้าทําใจสงบไม่ได้ทําปัญญาให้เกิดไม่ได้นะมันเป็นอย่างั้นการลูกคาในศีลวัดข้อปฏิบัติก็ไม่มีเอ่ จะรู้ทำยังไงถ้าหากว่าตนปฏิบัติไปไม่ตรงต่อศีลต่อสมาธิต่อปัญญาอย่างนี้มันไม่สามารถที่จะรู้แจ้งในขันธ์ห้าตามเป็นจริงได้ อ, อย่างนี้ก็เพราะปฏิบัติตรงต่อศีลต่อสมาธิต่อปัญญานั่นแหละจึงสามารถรู้แจ้งในธาตุสี่ขันธ์ห้าตามเป็นจริงได้ถึงกับปล่อยวาง ลงได้เช่นนั้นนะ่ะมันจึงได้บรรลุถึงโลภุตระธรรมในขั้นต้ น, น, นออเบบนั้นเรียกว่าจิตของผู้นั้นอยู่เหนือขันห้าก็ว่าได้นะเว้ยเห็นขันห้านี่อยู่มันไม่ใช่ของตัวของตนอยู่ตลอดเวลาอย่างนี้นะะขันห่านี่มันจะแปลผนไปไหนก็จิต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 นี่นะเราพยายามย ก, กจิตให้สูงขึ้นอยู่เหนืออํานาจของกิเลสตัณหา ต, ต่างๆเหล่านี้ย ก, กจิตสูงขึ้นอยู่เหนืออํานาจแห่งความทุกข์ความริษโลนของขันธ์ห้าอันนี้นี่ก็ปล่อยขันธ์หน้านี่มันแปลี่นไปตามเรื่องของมันแต่จิตนี่ไม่แปลไปตามเป็นอย่างนั้น ถ้าผูใ้ใดขยันภาวนาแล้วมันพิจารณาปฏิบัติดังที่แนะนำมานี่ไม่ท้อไม่ถอยแน่นอนแล้วกิเลสตัณหาอันเป็นเนตรได้เกิดทุกข์ทั้งหลายมันก็เบาบางไปเรืเ่อยๆไปแต่จะให้มันดับไปไวๆทีเดียวนะั้นยังดับไม่ได้เพราะอินทรียบรมีเรายังอ่อนอยู่ นั่นปึงอาศัยการทำความเพียรไม่ท้อไม่ถอยนี่แหละก็ทำให้จิตใจของเราเข้มแข็งมีความรู้สูงอยู่เหนือรูปเนื้อนามอันนี้ต่อไปดังแสดงมาพอจบลงเพียงเท่านี้